วายวิสัชนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคราวนั้นไปที่ขอนแก่นอันนั้นค ล, คล้ายๆกับว่าท่านนึกผูกปัญหาขึ้นมาท่านทรงปรารถขึ้นมาว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนั่งมาในเครื่องบินมันฉุกคิดขึ้นมาว่าครืหัสที่สำเร็จพระอรหันต์แล้วทำไมจึงต้องด่วนนิพพานเสียภายในเจ็ดวัน